าเทศส่วนมากพระปฏิบัติท่านเทศท่านมักจะเทศวิธีเชิงรบกับที่เล็กประเทศต่างๆให้ผู้ฟังทั้งหลายทราบเพราะฉะนั้นคำนวนแห่งการเทศ ตลอดถึงการเขียนรึงนักจะมีความเข้มข้นไปเป็นจุดๆเช่นเดียวกับการลบค่าศึกบางสถานที่หรือบางเวลาก็เอากันอย่างหนักฉันนั้นก็ระปลายกันไปเป็นค้างๆ ข, า, งขาว การปฏิบัติเพื่อแยกทิงสมบัติกลางคือใจมาสู่อำนาจของธรรมยิงเป็นเรื่องยากสำหรับที่เหลือที่เคยเป็นเจ้าของจับจองมาเป็นเวลานานแล้ว ปกติจิตนั้นมีกิเลสเป็นเจ้าของครองอยู่เรื่อยมาเราเองไม่มีทางทราบได้ว่าเคยกิเลส ก, กับเคยครองหวัวใจนี้มานานเท่าไหร่เบื้องต้นเบื้องกลายกำหนดไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นมาอย่างนี้ จนกว่าจะรู้อุบายวิธีแก้ไขถอดถอนหรือซักฟอกสิ่งที่ส้งโรมอยู่ภายในจิมอันเป็นเรื่องศ ก, กับโตกโสององมมทั้งหลายนั้นออกได้ใจนี้แหละเป็นตัวการสำหรับการเกิดตายคำว่าตายศูนย์ไม่มี ในใจดวงนี้นี่ตามหลักความจินเป็นอย่างนั้นคำว่าตายสูญนั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนสัตหรือหลอกสัตว์ต่างหากส่วนมากก็คนเพราะรู้สมมุติในความขวางในหยาดโอมากกว่าสัตสัตเขามมีโอกาสสรางว่าตายหร้เกิดตายแล้วเกิดตายแล้วสูญมนุษย์เรานี้รู้แต่รู้ไปในความไม่จริงเสีย หรือว่าตายแล้วสูนยเมื่อตายแล้วศูนย์แล้วก็ตัดหนทางตัวเองไปในตัวอีกด้วยคนตายศูนย์ก็กหมายถึงคนขึ้นท่าไม่มีทางสืบต่อกันอีกแล้วอยากจะทําอะไรก็ทําตามความชอบใจส่วนมากทําตั้งแต่ความชั่วเท่านั้นนี่คืออะไรเป็นผู้ให้สําคัญขึ้นมาเช่นนั้น ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมจะไม่แสดงออกอย่างนั้นจะแสดงออกตามความจริงความจริงของจิตไม่เคยสูญนะของปลอมเท่านั้นจึงมาหลอกนี่เลเป็นของปลอมคือของแฝงอยู่ไปในจึงหลอกได้ว่ตายแล้วสูญม้ง่งนรกไม่มีม้ง่ง าบาบุญไม่มีบ้างสวรรค์ไม่มีบ้างพรหมโลกนิพพานไม่มีบ้งและสุดท้ายก็คือว่าตายสูงมันก็ปฏิเสธไปหมดว่าสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรลงไปไม่เกิดผลนี่เป็นความสัมพันธ์ของใจที่ถูกกรองจากสิ่งจอมๆนี้มาเป็นเวลานานเหมือน ผูปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงภิสูจเห็นได้ไประจักษ์เรียร้อยแล้วนำมาสอนโลกและพยายามปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั้นโดยทางเหตุคือดำเนินตามท่านทางภาคปฏิบัติเราก็เริ่มทราบความเคลื่อนไหวของใจ ซึ่งมีอะไรอยู่ภายในนั้นความเคลื่อนไหวของธรรมก็ทราบความเคลื่อนไหวของกิเลสก็เริ่มทราบในขณะเดียวกันขณะที่จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายจนเอาไว้มาอยู่ขณะนั้นกําลังของกิเลสมากนะัรู้มันไม่ไหวยอมแพ้นะบางขณะสามารถระงับดับความฟุ้งซ่านนำพาลทั้งหลายเสียได้ ด้วยจิตตะภาวนาจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปภายในใจแล้วเกิดความสุขและความอัจจันต์ขึ้นมาที่ใจนั้นด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวของธรรมได้ปรากฏขึ้นที่ใจระยะนั้นกิเลส ข, ขยายตัวออกไปนี่แหจิตที่เรียกว่าเป็นของกลางนะร่างระหว่างธรรมกับกิเลส ส่วนมากเป็นของกิเลส อ, อยู่แล้วเราพยายามจะแยกชิงน จ, จากสิ่ง น, นั้นให้เข้าสู่วงแห่งธรรมอันเป็นความจริงไม่ใช่ความปลอมจึงต้องในปฏิบัติการพิสูจน์จิตที่จะให้ทราบตามหลักความจริงต้องพิสูจน์ด้วยท่าปฏิบัติเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทาง จะมินิชัยแควรไปยังไงก็ไม่เรื่องเรียนจบพระไกรปิฎกก็แบกแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมเต็มหัจใจแต่ตัวกิเลสเองไม่มีหนังถลอกบ้างเลยเพราะจำเอาชื่อเอาเสียงมาใชเฉยแต่การปฏิบัตินี้คือความเอาหินเอาจัง ปฏิบัติตามเข็มคิดแห่งธรรมที่ท่านบอกไปโดยที่เราเรียนเราศึกษา ม, มาแล้วให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ทำํำทําลงไปใจก็เกิดความสงบพอเกิดความสงบเราก็เห็นคุณค่าของธรรมต่างกันกับกิเลสอย่างไรบ้างเราทราบในขณะที่จิตฟุ้งซ่านกับขณะที่จิตสงบผลจะต้องต่างกัน จิตฟุ้งซ่านมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจจิตสงบมีแต่ความสุขความเย็นใจนี่ระหว่างกิเลสกับธรรมให้ผลต่างกันอย่างนี้เมื่อได้ความสงบเป็นเครื่องเงย็นใจและเป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นคู่แข่งกันระหว่างกิเลสกับธรรมเราย่อมมีแก่ใจที่จะปฏิบัติ ตนให้ยิ่งกว่านั้นแม้ขณะที่จิตไม่สงบไม่รวมลงเลยผลที่เคยปรากฏแล้วก็ไม่ลบเลือนไปไหนความเชื่อย่อมฝังอย่างสัน้นในผลที่เคยปรากฏขึ้นแล้วนั้นความพายายามก็พายายามอยู่โดยสมอเสมอจิตย่อมมีความสงบไปไเรื่อยมอจิตมีความสงบไปเรื่อย ก็ยังมีความสุขมากขึ้นโดยลําดับแล้วในขณะเดียวกันก็เห็นโทษทางความไม่สงบของจิตโทษทนงความวุ่นวายความวุ่นวายอะไรทําให้วุ่นถ้าไม่ใช่กิเลสเนี่ยในขณะเดียวกันก็เห็นโทษกิเลสขึ้นอีกด้วยความเห็นโทษชัดเจนขึ้นโดยลําดับกับความเห็นคุณขึ้นโดยลําดับก็เป็นพลังของใจที่จะแหบกว้ตัวเองเต็มติตกำลังหรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปโดยลําดับ พยายามขึ้นมากเพียงไรสิ่งทั้งสองนี้ย่อมเห็นได้ชัดประจักษ์กับใจคือคุณและโทษโทษในใจกิเลสทาให้เป็นโทษให้เป็นทุกข์ขึ้นมาคุณคือธรรมทำให้จิตใจสงบเยือก เ, เย็นเป็นสุขขึ้นมามีความเด่นชัดขึ้นโดยลำดับ ก, ก็ยิ่งเห็นโทษสิ่งไม่ดีภายในใจดวงเดียวนี่แหละ อาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะระหว่างทำกับยีเด็กต่อสู้กันยีเล็กขยายตัวหรือค่อยจางไปจางไปทำค่อยมีค่อยมีกําลังมากขึ้นเดยยังไงใจที่ไม่เคยปรากฏว่ามีความผ่องใสก็ปรากฏเป็นความผ่องใสนอกจากสงบแล้วยังเห็นได้ชัดว่าเป็นความผ่องใสเป็นความสง่างามภายในความรู้ของตนเองนี่ นี่คือผลเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจให้มีแก่ความภาคเลียนและความอดความทนทุกด้านมาพร้อมๆกันเ ม, มื่อพยายามบำเพ็ญอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็คือว่าจิตได้รับการบำรุงรักษาไทยก็ไม่ค่อยมีถึงมีข้อรู้หรือต่อสู้ยังไม่ได้ก็รู้ ยังต้องใช้ความพยายามต่อสู้เรื่อยไปหรือซักพอกเรื่อยไปผลสุดท้ายมันก็ไม่พ้นจากความพยายามของผู้ปฏิบัติจนได้มีหลักการที่สูติ์ีนพูดถึงเรื่องใจเป็นจ้าแห่งวัฏจักรหมุนไปเยือนมาคำว่าศูนย์ไม่มีมีแต่ความเปลี่ยนสภาพ กับสิ่งเกี่ยวข้องรูปนั้นร่างนี้อหยาบบ้างละเอียดบ้างเปลี่ยนกายทิอื์เป็นเทบุตรเทวนาก็เป็นทิพย์แต่ก็คือสิ่งเกี่ยวข้องกับใจอยู่นั่นแหละร่างกายหยาบหยาบเหมือนร่างกายมนุษย์เดานี่ก็คือสิ่งเกี่ยวข้องกับใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ที่เรียกว่าเกิดตายเกิดตายคำว่าสูญสูญได้ยังไงจิตตัวนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสูญได้ เป็นสิ่งที่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ยืนแบบความบริสุทธิ์ของตัวเองอันนั้นเขามาเกาะ อ, อันนี้เขามาใสาอันนั้นเขามาผลักหมุนไปเยียนมา อ, อย่างนี้ในเบื้องต้นเราไม่ทราบว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะในร่างกายทั้งร่างนี้จิตดูไปหมดทั่วสารพางร่างกายเลยไม่ทราบว่า จิตอันแท้จริงคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงต้องอาศัยการอบรมให้กระแสของจิตตะล่อมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ของตัวกลายเป็นตัวของตัวขึ้นมาได้เด่นชัดขั้นไหนขันน้นหนึ่งเช่นจิตมีความสงบย่อมรู้จุดแห่งความสงบของตัวเองรู้ก็รู้อยู่ที่นั่นสงบก็สงบอยู่ที่ไหนต่างจากร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นไหนไหน ยิงมีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นหากไม่ใช่อันเดียวกันยิ่งหนึ่งแยกแยะพินิจพิจรารณาทางวิปัสสนาคําว่าวิปัสสนาหมายเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงโดยการแยกธาตุแยกขันธ์รูปกายนี้มีอะไรบ้างอาจจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกดู ผมขนเล็ปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในภายนอกเต็มสกลอกายนี้มันเป็นด้านวัตถุคือส่วนผสมจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเข้ามาแทรกดิ้นั้นถือความเป็นเจ้าของ ข, องขึ้นมาเพราะอำนาจที่เหลดบังคับให้ถือบังคับให้ยึดบังคับให้หลงบังคับให้ซ้ำขันวันนั้นเป็นดานี้เป็นของดานั่นเป็นของเขา ตัดปันเขียดแดนเอาแบบโง่ๆมาแชนแบบรู้จริงเห็นจริงนอย่างนั้นแ่ละกิเลสหลอกคนมันหลอกอย่างนั้นหลอกสารโลกถือว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อถึงการเป็นไปตามความจริงแล้วมันไม่ได้มองดูว่าเป็นเราเป็นของเราเขาไปตามสภาพของเขาเช่นแปรไปเรื่อยๆอย่างหนึ่งท่านว่าอันนี้จังใครจะว่าเป็นอะไรก็ตาม ความแปรสภาพในส่วนต่างๆของร่างกายนี้แปรอยู่เสมอไม่มีเวลา่ํเวลาหลับตื่นมืนตาดืมตามันแปรทั้งนั้นแม้ที่จุดนอนหลับสนิทอยู่มันก็แปรแปรไปเรืเ่อยๆทุกขังอนิจจังอนัตตาอนัตตามัะพูดสอบให้เข้าใจางงาัง่ายๆไม่สนใจกับใคร ใครจะว่าอัตตาฆ่าเขาไม่ส น, นใจว่าอนัตตาใครจะว่าอัตตาอนัตตาฆ่าเขาไม่ส น, นใจแต่เป็นสภาพอันหนึ่งของเขาอยู่เท่านั้นใครจะยึดใครจะปล่อยวางเขาก็าไมวาะแต่เราเป็นผู้ยึดเราต้องพิจารณาให้รู้เรื่องของมันแล้วเราถึงจะปล่อยได้ท่านจึงสอนให้พิจารณานี่จังทุผังอัตตาเพราะเราเป็นผู้ยึดด้วยความหลงของเราจรึงต้องพิจารณาให้รู้แล้วจะปล่อยไปเองวางไปเอง เมื่อพิจารณาค่อยรู้ชัดเข้ามากเพียงไรยิ่งรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจแล้วจะยึดไว้ไม่ได้เลยไม่ว่าอาการใดจะฝังจมลึกขนาดไหนในความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนขึ้นมาหมดจึงเรียกว่าถอนถึงลากถึงโคนข้องหมันอันนีงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาตีแพรไปหมดน่างกาย ดูวันไหนมันก็ไม่เห็นนี่เป็นเาวเป็นของเรามันเป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นแต่ละอย่างละอย่างเล่าหาักไปหลงหักไปสําคัญมั่นหมายรับแต่แบบไปยึดไปถือให้เป็นทุกข์แต่จะขวางเปล่าๆยังไม่เห็นโทษในความที่ความถือยังต้องแบกบต้องหามกันด้วยอุปทานอยู่นั่นแหละมันก็ยิ่งทุกข์ไปไเรื่อยๆเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นแก่มแจ้งชัดเจนข้ามากน้อยเกียนไรย่อมปล่อยย่อมวางคลายออกมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้เต็มที่แล้วปล่อยเต็มใจอยู่ด้วยกันก็ไม่ยึดไม่ถือเพราะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วน่ะมีจิตเมื่อได้ปล่อยามาขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เป็นตัวของตัวให้เห็นอย่างชาัดเจนละ่ะรู้ต้องรู้ชัดว่ารู้อยู่จุดนี้นั่นคืออาการนั่นนั่นคืออาการนั่นนี้คือจิตแม้ที่สุดอาการของจิตที่แสดงแยกออกไป ดูอารมณ์ต่างๆก็ทราบว่า น, นี้คืออาการอีกเหมือนกันะไม่ใช่ตัวจิตเป็นแต่เพียงอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงมาอยู่ที่เก่าไม่ไปไหนรู้ได้อย่างชัดเจนท่านจึงสอนให้แยกให้แยกนี่เรานิทรีพิสูจจิตนี่เป็นเป็นขั้นหนึ่งเครื่องหุ้มหอ่อปิดบังจิตใจเป็นรูปประคันรูปกายของเหล่านี้ มันปกคลุมไปหมดให้มืดมิดปิดตาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้มีแต่กิเลสดักตาข่ายไว้หมดภายในร่างกายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นก่บเรานี่ก่บของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราไปหมดทุกชั้นทางร่างกายนี่เลยมันดักตาข่ายไว้ทั้งนั้นอืมนี่เป็นสุข ทั้งๆที่เป็นกองทุกข์อยู่ในร่างกายมันก็หลอกแต่ว่าเป็นสุขอันนี้จังมันแปลสภาพอยู่เพียงไรมันก็เหมือนกับว่าไม่มีป่าช้ามันหลอกหลาเหมือนม่มีป่าช้าอนาตามันก็มาเสกสันปั้นยอขึ้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัดเป็นบุคคลไปเสียนี่คือเรื่องของกิเลสมันหลอกจึงต้องตีแผ่ก้อนเหล่านี้ กอนของกิเลสเสศษสันพันดอขึ้นมานีให้แตกกระจายไปด้วยสติปัญญาจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้เห็นทัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยเข้ามาหรือว่าแต่เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอรยะนะซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งอาการของกิจที่แสดงออกมากน้อยหรือทุกขเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภ า, ายในร่างกายมันก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่ง สัญญากคือความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการอันหนึ่งอัน่งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางหูทางตามันก็เป็นเชิงอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปสติปัญญาสอดส่องมองทะลุไปหมดว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังนาตาทั้งมวลไม่ใช่เป็นสิ่งที่รเราจะควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ได้เลยจิตประจักษ์นี้ปัญญาถอนตัวหนะ่ะ ถอนเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งแทงทะลุเข้าไปถึงจิตสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกิเลสอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นการกัดกรองหรือการทําลายอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นจึงต้องทําลายด้วยสติปัญญาพิจารณาแล้วเล่าจนเป็นที่เข้าใจในส่วนใดแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวางเข้าไปเหมือนกับว่าตัดสถานของกิเลส ทางท่องเที่ยวของกิเลสอวิชชาเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงตัวจริงของมันซึ่งมันอาจะคือมันแทรกอยู่อย่างสังจมภายในจิตใจสิงเ่า น, นี้ตัดทอนเข้าไปด้วยปัญญาแล้วก็ไม่พ้นทิกิเลสอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาจะลุกลามเข้าไปจะ สอดสองมองทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจริงของกิเลสแท้ท่านเรียกว่าอาวิชชามันอยู่ที่ไหนที่นี่อวิชชาไม่มีที่อยู่ อ, อาศัยตามรูปก็ถูกปัญญาทําลายไปหมดแล้วตามเวทนาสัญญาตั้งขันวอย่ญญางก็ถูกปัญญาทําลายไปหมดไปหมดไม่มีเหลือนั้นก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตไม่มีทางไปวิ่งเข้าอุโมงค์ ปัญญาปรมาโนก็ฟาดเข้าไปในอุมโมงแตกกระจายหมดก่อนที่จะอุมโมงค์ของอวิชชาจะแตกกระจายนั้นเราก็ทราบได้ชัดมาโดยลําดับว่าขาดแล้วจากสิ่งนั้นขาดแล้วจากสิ่งนี้ใจิตใจของเรามันเกี่ยวพันระโยงระยางไปกไกลๆขนาดไหนมันตัดเข้ามาตัดเข้ามารู้ชัดเข้ามาเดินดับจน ก, กระทั่งถึงอุมโมงดังที่ว่า จะเข้าไปถึงตัวจิตแท้ทีนี้ปัญญาก็แทงทะลุเข้าไปตรงนั้นอีกนี่แตกกระจายเมื่อนี้แตกกระจายแล้วธรรมชาติที่ไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะรู้จะเห็นก็ปรากฏอยู่ที่นั่นที่ไม่ปรากฏก็เพราะวิชาครอบเอาไว้ไม่ให้เห็นเป็นเครื่องคลางตาหลอก ไว้เท่านั้นเองเมื่อสิ่งที่หลอกหลอนนี้ได้ถูกทาลายลงไปแล้วจึงเห็นตัวจริงตัวจริงอันนั้นสูญได้ที่ไหนนั่นทีนี้ปัญหาของความเกิดตายมาจากอะไรมันก็รู้ในชาตภายในยจิตนัน้นก็บอกว่าอวิชชาปัิยาสร้างข่าราสร้างข่าราปัิยาวิญญาณังเลื่อยต่อเป็นสายยาเวเหยียดออกมาจากอวิชานั่นแหละเป็นพืชอันสาคัญ แต่จีนแตกแขนงออกไปที่นี่ก็ไล่เขาไปตามสิ่งตามแขนงฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปเข้าไปจนถึงตัวจริงทำลายตัวตัวจินของอวิชาของกิเลสกระแทกหรือวิชานั้นขาดสะบั้นหั่นแหลกออกจากใจแล้วปัญหาแห่งความเกิดอีกตายอี ก, อกที่ไหนมันก็หมดมการเกิดการตายมาผีพบผีชาติก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าไม่แค่ผู้ใดเป็นตัวการนอกจากาวิชาดุงเดียวนี้เท่านั้นเป็นพืชอันสาคัญ พาให้สัตดทั้งหลายมูเรียนแล้วก็มีวิบากกรรมคือดีชั่วที่ตนทําั่นะจึงทําให้มีดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างไม่มีแต่ทุกโดยไถ่เดียวถ้ามีแต่ทุกโดยไถ่เดียวโลกก็ต้องพินาศไม่ว่าคนมาสัตว์พินาศทั้งนั้นอย่างนี้มีทั้งสุขทั้งทุกจับปนกันไปจับเปลี่ยนกันไปพอทนอยู่ได้อืสุขบ้างทุกบ้างนี่เป็นวิบากแฝงอยู่กับอวิชาพาให้ เกิดเกิดในพบได้มีบุญมีกุศลก็ไปในพบดีอพอบันเทาออพอวิชาขาดแล้ววิบากกรรมเหล่านี้ก็ขาดสะบ้านสะตําตํากั น, กนบุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญก็เหมือนบันไดเมื่อถึงที่แล้วบันไดก็ หมดปัญหาไปเอบุญก็คือสมมุติอันหนึง่งเช่นเดียวกับบาปแต่เป็นฝ่ายดีเมื่อถึงขั้นวิมุตติพ้นแล้วบุญซึ่งอยู่ในยิสัยของสมมุติก็อยู่ตามความจริงของตนวิมุตติคือความหลุดพ้นของจิตก็เป็นอันว่าพอตัวแล้วไม่ต้องการจากบุญอะไรอีกแล้วเพราะบุญนี้เป็นสมมุติวิมุตตินั้นไม่ใช่สมมุติคือจิตหลุดพ้นพ้นจากภาวะ่งสมมุติทั้งปวงแล้ว แต่ส่วนนิบากขานก็ยังต้องได้รับเป็นธรรมดาแต่ไม่ชซึมซาบเข้าถึงจิตใจเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่บริสุทธิ์นี่แหละการพิสูจนิตการเกิดการตายของจิตเป็นอย่างไรใครจะพูดที่ไหนก็พูดไปเถอะมันจะไม่กระเทือนผิวของกิเลสเลยนอกจากมันจะหัวเราะเท่านั้นเพราะมันได้ใจเชื่อมัน ถึงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีซึ่งเป็นเรื่องจำปลอมของออกมาจากกิเลสทั้งหมดมิหนำซ้ำสุดท้ายว่าตายแล้วศูนย์มันม้วนลงไปตรงนั้นเอาแห่นแหละไม่มีอะไรเหลือไม่มีชิ้นดีเลยคนคนนั้นถ้าลงได้สำคัญอย่างนั้นแล้วอืหาบาปขาดกรรมยางหาที่ตรงที่วางไม่ได้เนะชื่อความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกหลวง ือเมื่อมาเชื่อทาปฏิบัติตามธรรมําไม่ได้หลอกนี่เห็นจริงเข้าไปโดยลำหนับลำหนักจนกระทั่งแทงทะลุไปหมดบรรดาของปลอมทั้งหลายที่เคยหลอกลวงมาเป็นเวลานานได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นละที่ทันว่าวิมุตตหลุดพ้นแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แล้วพอเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการเรื่องบุญเรื่องบาต แม้แต่คาว่าต้องการไปนิพานก็หมดความต้องการหมดความอยากความหิวโหยเพราะธรรมชาตินั้นพอต่ออย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจึงไม่มีอะไรกวนใจตั้งแต่บัดนั้นนี่การพิสูจน์ตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ผู้บริสุทธิ์นั่นแหลท่านว่าปรามังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งอันนี้ไม่ใช่สุขในสมมติถ้าสุขในสมมุติ ก็ต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่โดยดีถูกแล้วก็ต้องทุกข์ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ประมังสุขขังนั้นเป็นสุขใ น, ในหลักธรรมาชาติของความมรสุทแห่งใจตรงนั้นจึงไม่มีคําว่าอนิจจังทุกข์กขังอนัตตาเข้าไปแทรกได้เลยท่านทิงเดียวประมังสุขขงัป ง, ขข ง, านนางประมังสุขขงังนิพพานนังประมังสุขขังท่านหว่านนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าสมมุติทั้งหลายสุกคนมสมมุติก็อยู่สุแขแห่งความมือจุดของใจมือถึงการเวลาของธาตุขั้นขันที่เขาดําเนินมาโดยทางจังทุกขังนัตตาจนเป็นจุดจุดท้ายของเขาแล้วครัก็สลายไปนี่คือเรื่องของเขาก็เป็นไปนตามที่เราพิจารณาโดยทางปัญญาไว้รอบขอบคิดหมดแล้วเราจะไปตกยึดตกยิจาร์อะไรเพราะ น, นี้มันอยู่ในข่ายของปัญญาเราหมดแล้วรู้ไว้หมด เวลาจะมีขีอยู่ก็อยู่ไปทั้งๆ ท, ที่ก็รู้ชัดไว้ตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกอย่างเมื่อถึงการจะไปจะห่วงห้ามไว้ทําไมก็พิจารณาว่าเป็นความจริงแล้วการแต่การสลายก็คือความจริงนั่นึ่งไปฝืนความจริงหาประโยชน์อะไรไม่ฝืนพอยายารักษาหน้าพอยาย า, ยารักษากันไปแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความกังวลวุ่นวายกับความเปรียบค่ายได้ป่วย การเป็นโรคเป็นภัยของธาตุของขันซึ่งมันเป็นเดือนของโรคอยู่แล้วมันเป็นคู่กันเมื่อพอทนหน้าก็ทนไปคำว่าทนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจิตที่บริสุทธิ์นั่นมาแบกมาหามทุกขเวทนาประคองกันไปรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นแหละทุกกะรู้ว่าทุกแต่ไม่แทรกซึมเข้าถึงจิตใจนั่นให้หวั่นไหวไปได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรือ ปรมังสุขขังเข้าอยู่ในถ้ากลางแห่งความทุกข์ในขันนี่แหละเวลาดังมีชี้ิงจริงจึงต้องรับผิดชอบกันทุกก็ทราบว่าทุกข์กกขแต่ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนมุ่นวาเพราะทุกนี้เข้าไปเผา ร, รุ่นจิตใจได้มันเข้าไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับเพราะฉะนั้นพระหันท่านท่านจะตายในอียาบทใดสถานที่ใดจึงไม่มีสมมติใดเข้าไปจีดขวางกาัก้นกลาง ให้ท่านเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอรหันต์หรือความเป็นนิมุตนั้นแปลสภาพเป็นอย่างอื่นไปได้ท่านเป็นอิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของท่านอยู่แล้วโดยสมมุติใดๆไม่อาจไม่อาจเอื้อมได้เลยนี่แหละนังที่เขียนไว้ในประวัติของท่านพระอาจารย์มัน่นตามที่ท่านเล่าให้ฟังพระอหันต์บางองค์เดินนิพพบางองค์บางองค์นั่งนิพพา บางองค์ยืนนิพพานนางองค์นอนนิพพานทำไมพระอรหันต์ท่านจะทำของท่านตามความถนัดอัจยาศัยของท่านไม่ได้หระเมื่อท่านไม่อยู่ใต้อำนาจแห่งความไตรลักษณ์เกลียังทุกขังอัตตาแห่งขันนี้แล้วท่านทำไมท่านจะทำไม่ได้เมื่อท่านถนัดตามมารยาศัยของท่านแบบใดอิยาบุตใดท่านก็ทำได้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นการปรินิพัน์ของท่านจึงมีต่างๆกัน ยืนนิพพานก็มีเดินนิพพานก็มีนั่งนิพพานก็มีนอนนิพพานก็มีเพราะอันนี้เป็นอาการของธาตุของขันทั้งนั้นความบรสุดนั้นไม่มีอากาศเป็นความบริสุดธอยู่ตลอดเวลาอากาศรีโกสมมุติใดเอื้อมเข้าถึงไม่ได้ทุกขเวทนาจะล้นธาตล้นขันก็ตามแต่ไม่ล้นไปถึงจิตได้เนี่ยจิตวิมุตอะไรจะเข้าไปแทรกได้อย่างไรนั่นแหละ ท่านเนื้อเหนืออย่างนั้นเนื้อโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เนื้อโดยความบังคับที่แรกก็บังคับด้วยความภาคยันให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่าการปฏิบัติกิเลสโผล่มาสติปัญญาความภาคยันอันนี้โผลใส่กันอืมหนักทั้งนั้นหนักทั้งนี้หนักเอากันถึงเป็นถึงตาท่างก็ฟาดกันไปท่านไม่ถอยพอถึงท่งานพัฒน า, า, า, าแล้วเป็นหลักธรรมชาติเป็นของตายตัวแล้วไม่ต้องมีการบังคับกัน อันนี้ผ่านแล้วไปอยู่ที่ไหนหมดสมมุติที่จะพูดในภพระกายพี่โดกท่านก็ท่านก็พูดไว้อย่างนั้นเหมือนกันคือหมดสมมุติที่จะไปตั้งชื่อธรรมชาตินั้นว่าศูนย์มันก็เป็นเรื่องสมมติเสียนะว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วๆไปก็เป็นเรื่องสมมติเสียท่านไม่อยู่ในจุดที่โลกอยู่ในจุดที่สมมติอยู่จิตบริสุทธ ที่สุดที่จิตนั้นไม่ได้อยู่ในความมีอยู่ไม่ได้อยู่ในความสูญไปพอ ท, ทั้งสองนี้เป็นสมมติทั้งหมดวิมุตจะมาอยู่ในนี้อย่างไรหากว่าเราจะพูดได้เพียงย่อมเพอเข้าใจบ้างก็เปนว่ยอยู่ในระหว่างแห่งนั่นแหละความมีอยู่และความสูญไปนั่นแหละอยู่ที่โลกไม่สมมติไม่ถึงโลกคาดไม่ถึงอยู่ตรงนั้น โลกว่าศูนย์ไม่อยู่ตรงนั้นเสียโลกว่ามีอยู่แบบโลกทั่วไปท่านไม่อยู่ในตรงที่ว่าโลกว่ามีอยู่นั่นเสียเพราะอ น, นี้เป็นสมมุติธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นแม้ท่านยังทรงขันอยู่ก็ตามก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรขันนี้เพียงฉลาดไปจะไปทำลายความมืดจุดของท่านให้เป็นอื่นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ ทีนี้ความมีอยู่ของท่านท่านก็ทราบอยู่แล้วในเวลาครองขันอยู่ว่าเป็นอย่างไรมีอยู่อย่างโลกนี่มันก็ไม่ใช่เสียพราะความมีอยู่แบบนี้ก็เคยรู้เคยเห็นอยู่แล้วแตความไม่อยู่แบบความเป็นอยู่แบบนี้ไม่เคยมีไม่เคยเห็นแต่ก่อนนะแล้วมาเห็นตอนที่เปิดสมมุตินายออกหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตตรงนั้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วตรงนั้นไม่เคยเห็นเลย เมื่อเห็นเข้าไปแล้วมันต่างกับสมมุติอะไรบ้างต่างจนพูดไม่ถูกโรคว่ามีอยู่ก็ไม่ไม่อยู่ตรงนั้นเสียโรกว่าศูนย์เข้ามาอยู่ที่โรกว่าศูนย์เสียเพราะไม่ใช่โลกอันนี้ไม่ใช่โลกอันนี้ไม่ใช่สมมติใครรู้แล้วใครเห็นแล้วรู้เองเห็นเองหาความสงสัยไม่ได้ทั้งที่พูดออกมาไม่ได้ไม่ถูกตามความเป็นจริงนั่นก็ตามแต่ก็ไม่สงสัยธรรมชาตินั้นนั่นแหละ ที่เราทั้งหลายได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คือกราธรรมชาติอ น, นั้นแหละศูนย์ไปไหนนี่เป็นของสำคัญมเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้หมดละภาระเรื่องเกิดเรื่องตายมื้อเยน็นเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสมมุติทั้งมวลปลืเปลืองภาล่นี้ออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละธรรมชาติที่เลิศประเสริฐตรงนี้ พอตัวตัวอย่างการบำเพ็ญอยู่เสมอการบำรุงรักษาอยู่เสมอนี่คือทางที่ให้เป็นไปเพื่อความลุพ้นโดยดําดับดั่งดาหลวงพาอผันพนยายางประพฤติปฏิบัติจะไม่หนีจากความเพียร น, นี้ไปได้ทุกข์ก็เพียรลายากลำบากก็เพียร เพราะสิ่งที่นั้นเลิศยิ่งกว่าสิ่งนี้เป็นในไหนทำมจะไม่เพียดเพื่อสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นเลิศจะมาอยู่ในอำนาจของมันอะไรนักหนาะความที่เกียดที่ข้านความหมแอร์ความทุกข์ความยากความลำบากมันประโจนที่ไหนพอจะมาอยู่ใต้อำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาควรจะฝืนต้องฝืนควรสู้ต้องสู้ควรต้านทานกันต้องต้านทานกันเพื่อความเลิศประโจนนั้นจะได้เป็นอัตตาสมบัติคือเป็นสมบัติของตนโดยแท้ การแสดักรรมเป็นเรื่อมปวด